ตอนที่หนึ่งร้อยหกเขาวขาที่กำลังจะมาถึงคนละ่ะพวกเขาไม่ได้เฝ้าแกอยู่ที่นี่แล้วไปไหนกันหมดโจเจี้นเย่คนนี้มันเหลือเกินจริงๆฉันฝากคนไว้กับเขาเขาช่วยฉันดูแลลูกสาวแบบนี้เหรอนางลูกคนนี้ตอนนี้รู้หรือยังว่าที่ฉันพูดไปทั้งหมดนั่นก็เพื่อหวังดีกับแกทั้งนั้นไม่ให้แต่งก็ยังจะดึงดันแต่งให้ได้ตอนนี้คลอดลูกแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตกับเขาไปเถอะ ต่อไปจะลำบากยังไงแกก็เป็นคนเลือกเองแม่สกุลหลิวด่าทอด้วยความโมโลกพวกนี้เกิดมาเพื่อเป็นเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่แท้ลูกสาวไม่รักดีก็ช่างเถอะลูกชายในบ้านยังจะขบทําไม่รู้ความอีกรู้อย่างนี้ไม่ควรเกิดมาสักคนอย่างน้อยเธอก็ยังได้อยู่อย่างสงบสุขบ้างแม่คะฮือฮือหลิวเ ค, คอรเคอร์รู้ว่าในช่วงอยู่เดือนห้ามร้องไห้แต่เธอก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เธอสูดน้ํามูกโจวโจเจี้ยนเยียบอกฉันว่าเมื่อคือนเขาไปหาแม่เพื่อขอค่าผ่าตัดทําไมแม่ถึงไม่ให้เขาล่ะคะ ฉันรอความตายอยู่ที่โรงพยาบาลฉันนึกว่าแม่ไม่ต้องการฉันแล้วก็เพราะฉันอยากจะให้บทเรียนแก่นะสิจะเป็นเพราะอะไรได้อีกละ่ะตอนนั้นแม่สกุลหลิวโกรธจนหน้ามืดตะมัวจริงๆเธอเคยบอกหลิวเคอเคอตั้งนานแล้วว่าถ้าไม่มีฐานะทางการเงินห้ามมีลูกเด็ดขาดแต่หลิวเคอเคอไม่ฟังอะไรเลยดึงดันจะแต่งงานกับโจเจี้นเี้ให้ได้ผลสุดท้ายชีวิตก็กลายเป็นแบบนี้เธอจะไปโทษใครได้เส้นทางนี้เธอเลือกเองเธอตัดสินใจเองก็ต้องรับผิดชอบเองจะมาให้คนอื่นรับผิดชอบได้อย่างไร เงินนี้ถ้าฉันให้เขาไปเขาอาจจะไม่เอามาใช้กับแกก็ได้ถือซะว่าเขาขอยืมแกคิดว่าต่อไปเขาจะคืนไหมแม่ของเขาเป็นคนยังไงแกยังไม่รู้อีกเหรอแม่สกุลหลิวแค่นเสียงเหอะฉันพูดอะไรแกก็ไม่เข้าหูแกก็ลองสัมผัส ด, ด้วยตัวเองดูเถอะจะได้รู้หลิวเคิร์เคิรน้ําตาไหลออกใหม่อีกครั้งแม่สกุลหลิวขมวดคิ้วแน่นพอแล้วแวฉันก็ไม่รู้ว่าแกจะร้องให้อะไรนักหนาเลิกร้องได้แล้วนี่ฉันไม่ได้เอาเงินมาให้หรือไง ต่อไปแกต้องเอาเงินมาคืนฉันด้วยนะหลิวเคอเคอสายหน้าแม่สกุลหลิวถลึงตาใส่อะไรกันแกไม่คิดจะคืนเงินฉันหรอไม่ใช่แค่ฉันจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ต้องใช้ฉันไม่ได้ผ่าตัดค่าโรงพยาบาลครั้งนี้แค่ไม่กี่สิบหยวนให้โจเจี้ยนเยี่ยไปหาทางเอาเองถ้าเขาไม่จ่ายเงินฉันก็จะพาลูกสาวอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆอยังไงสุดท้ายเขาก็ต้องเป็นคนจ่ายหลิวเคอเคอพูดด้วยเสียงสะอื้นแม่คะฉันหิวแล้วเดี๋ยวฉันไปซื้ออะไรที่โรงอาหารมาให้กิน แม่ส ก, กุลหลิวไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ในใจเธอยังคงเป็นห่วงลูกสาวเมื่อเช้าเธอนั่งคิดดูแล้วรู้สึกว่าอย่างไรก็ควรมาที่โรงพยาบาลสักรอบเห็นลูกสาวไม่เป็นอะไรถึงจะวางใจได้แล้วเธอจะมีกระจิกกระใจทำของอร่อยๆมาส่งให้ได้อย่างไรอื้อตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรหลิวเคอเคอก็กินได้ทั้งนั้นเธอไม่เลือกกินเลย ลิชิงทิงออกจากโรงพยาบาลในวันที่4ี่ของการพักรักษาตัววันที่เธอออกจากโรงพยาบาลเธอนั่งรถยนต์กลับบ้านและต้องดูแลตั้งแต่หัวจะโรเท้าไม่ให้ลมโกรกเข้าไปได้แม้แต่นิดเดียวเจ้าชุนฮวาทำความสะอาดห้องไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนแม้แต่ฟูกและผ้าห่มก็เอาออกไปตากแดดเตรียมไว้แล้วเจ้าชุนฮวาคิดว่าตอนกลางคืนต้องดูแลเด็กเธอจึงจัดแจงให้เจิ้งอวินฉงไปนอนกับเหล่าเจิง้งสีหน้าของเจิ้งอวินฉงดูไม่ค่อยดีขึ้นมาทันที แม่ครับนี่ไม่จะให้เราสองคนสามีภรรยาแยกห้องนอนกันเหลอครับอ้าวก็รอจนกว่าจะไม่ต้องให้นมลูกแล้วแม่ค่อยอุ้มเด็กไปนอนที่ห้องแม่ถึงตอนนั้นแกค่อยย้ายกลับมาไงเจ้าชุนฮาวาไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรไม่ได้ครับเจิ้งอวิ๋งชงปฏิเสธแม่ก็อายุมากขนาดนี้แล้วตอนกลางคืนจะดูแลเด็กไหวได้ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดล้มป่วยพราดูแลเด็กขึ้นมาจะทํายังไงครับตอนกลางคืนผมจะดูแลเอง ส่วนตอนกลางวันแม่ค่อยช่วยดูแลก็พอช่วงไม่กี่วันที่อยู่โรงพยาบาลผมเห็นสีหน้าแม่ดูไม่ค่อยดีเลยนะครับนี่แกเป็นห่วงแม่หรือว่าไม่อยากแยกห้องนอนกับเมียกันแน่เจ้าชุนฮาวามองทะลุความคิดของเจิ้งอวินชงแล้วหัวเราะออกมาก็ได้เห็นแกที่ลูกชายแม่ตันยูขนาดนี้งั้นตอนกลางคืนแกก็ดูแลเด็กไปแต่อย่าหลับลึกจนเกินไปละช่วงอยู่เดือนห้ามให้ชิงพิงเหนื่อยเด็ดขาดถ้าพ้นช่วงอยู่เดือนไปแล้วข้อ ย, ยังชั่วหน่อยเจิ้งอวินชงพยักหน้าเงยหงั ก, กแม่วางใจได้เลยครับ ลิชิงพิงยกยิ้มที่มุมปากจริงๆแล้วไม่ต้องลําบากขนาดนี้ก็ได้เธอสามารถดูแลเองได้ทั้งหมดเจิ้งอวิ๋งชงต้องไปทํางานที่เขตทหารในตอนกลางวันถ้าตอนกลางคืนยังนอนไม่พออีกร่างกายของเขาก็จะรับไม่ไหวเช่นกันเด็กในช่วงเดือนแรกเล ง, ง่ายที่สุดเดือนที่สองที่สามถึงจะเป็นช่วงที่เริ่มเมงางแอรเราจนกว่าจะสามารถนอนยาวได้ทั้งคืนเมื่อ น, นั้นเด็กถึงจะเลี้ยงง่ายขึ้นชิงพิงถ้าเขาไม่รู้จักดูแลลูกให้ดี เธอต้องบอกแม่นะแม่จะช่วยสั่งสอนเขาให้เองเจ้างอาวิงฉงมีความรับผิดชอบมากหลีชิงถิงพอใจในตัวเขามากไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องขุนเคืองใจเลยไม่ว่าจะในฐานะสามีหรือในฐานะพ่อเขาก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมอืมได้ค่ะหลีหวานเป็นคนที่ว่างที่สุดในบ้านจะพูดให้ถูกคือเด็กๆในบ้านทุกคนต่างก็ว่างกันหมดเจ้าชุนฮาวายุ่งอยู่กับการดูแลหลีชิงผิงและลูกทั้งวันตอนเที่ยงทากับข้าวไม่ทันพวกเขาจึงพากันไปกินข้าวที่โรงอาหารกันหมด เรื่องที่หลีชิงผิงคลอดลูกชายให้เจิ้งอวินชงแพร่กระจายไปทั่วทั้งเขตบ้านพักทหารอย่างรวดเร็วเธอว่าบ้านเหล่าเจิ้งนี่มันวาสนาแบบไหนกันนะมีแต่รังลูกชายทั้งนั้นเลยนั่นสิลูกคนโตก็ได้ลูกชายตอนนี้ลูกคนรองก็ได้ลูกชายอีกบ้านนี้ไม่มีดวงจะได้ลูกสาวเลยจริงๆพอมีลูกชายเยอะพวกเขาก็อยากได้ลูกสาวพอมีลูกสาวเยอะก็อยากได้ลูกชายฉันว่ามีทั้งลูกชายลูกสาวนั่นแหละดีที่สุด ตอนนี้ผู้การเจิ้งก็มีทั้งลูกชายลูกสาวไม่ใช่เหรอลูกสาวที่ติดมานั่นไม่นับว่าเป็นลูกสาวหรือไงลูกสาวที่ติดมายังไงก็สู้ลูกที่เกิดเองไม่ได้หรอกมันมีกำแพงในใจอยู่นะคํานินทาข้างนอกเหล่านั้นส่งไปไม่ถึงหูของคนตระกูลเจิ้งหรี่หวานกับเจิ้งเศร้าเหิงเริ่มจริงจังกับการสอบเกข่าวที่กําลังจะมาถึงหรีหวานละ ง, งานกับร้านสมุนไพรจีนต่อจากนี้เธอจะทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดให้กับการสอบเกข่าว วันสอบเขาข่าวถูกกำหนดไว้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเจิงเศร้าเหิงเริ่มไมตกกังวลอีกครั้งเขามาขอยาสงบจิตกับหลี่หวานฉันรู้สึกว่ายาสงบจิตที่เธอให้ครั้งนี้ได้ผลไม่ดีเท่าครั้งก่อนเลยเจิงเศร้าเหงิงพูดต่อคราก่อนกินแล้วหลับได้เร็วมากแต่ครั้งนี้พอนอนลงไปตั้งนานก็ยังไม่หลับเวลานอนมันสั้นเกินไปตอนนี้ฉันเริ่มมีอาการปวดหัวแล้วไม่ใช่เรื่องของสรรพคุณยาหรอกหลี่หวานมองเขาอย่างจริงจัง เป็นพระนายกดดันตัวเองมากเกินไปต่างหากยาถึงไม่ได้ผลยาสงบจิตเดิมทีก็ไม่ได้มีผลรุนแรงอะไรขนาดนั้นมันเป็นแค่ตัวช่วยในการนอนไม่อย่างนั้นนายก็กินยานอนหลับไปเลยแต่ยาพวกนี้ทางที่ดีอย่า ก, กินบ่อยมันจะทำให้เศษติดได้ง่ายช่างเถอะเรื่องเศษติดค่อยว่ากันแก้ปัญหาปวดหัวก่อนดีกว่าจึงเศ้าเหินขมวดคิ้วฉันจะลองดูอีกทีถ้าถึงตอนนั้นยังไม่ได้ผล ก็คงต้องกลับมากินยาสงบจิตเหมือนเดิมลืมได้จริงๆนายลองใช้ยาสงบจิตควบคู่ไปกับกัญยาสงบจิตดูไหมไม่รู้ว่าผลจะดีขึ้นหรือเปล่าก็ดีเหมือนกัน